พระสูตรที่26จกจักวัตติสูตรแสดงความเสื่อมความเจริญแห่งศีลธรรมอันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปเท่ากับเป็นการแสดงปฏิจจสมุ ป, ปบาทหรือปัจจยาการแห่งทุกข์ของสังคมในพระสูตรนี้มีการกล่าวถึงพระศีอริยะเมตรไตรด้วยพระสูตรที่27อักอคัญยสูตร แสดงวิวัฒนาการของโลกโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรการแบ่งชั้นวันนะระบบการปกครองตลอดจนปัญหาสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไรมีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวตามความเชื่อเดิมของพวกกรามแต่บางท่านว่าเป็นคติพุทธแท้แต่นั่นเป็นประเด็นย่อยประเด็นหลักอยู่ที่หนึ่ง ชี้ว่าโลกไม่ได้ถูกสร้างเบ็ดเสร็จขึ้นมาทันทีแต่เป็นผลของวิวัฒนาการมาเป็นขั้นเป็นตอนตามเหตุปัจจัยโดยกฎธรรมดาแห่งความสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวิทยาศาสตรส์ไม่ว่าคนจะเกิดมาอย่างไรถูกแบ่งชั้นวันณะอย่างไรก็ตามสาระอยู่ที่ว่าทุกคนมีความเป็นคนพัดเทียมกัน ทุกคนสามารถประพฤติดีประพฤติชั่วและได้รับผลตามกฎธรรมชาติเสมอกันเมื่อประพฤติถูกต้องก็บรรลุนิพพานเหมือนกันหมด 3. จะเห็นกฎแห่งเหตุปัจจัยสัมพันธ์หรือปัจจยาการแห่งสังคมได้ชัดเจนคือมนุษย์ไม่ใช่ผู้กำหนดสภาพแวดล้อมอย่างเดียวและธรรมชาติแวดล้อม ก็ไม่ใช่ตัวกำหนดมนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยแก่กันพระสูตรที่28สัมปสาธนียสูตรพระสารีบุตรประกาศความเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าประกาศข้อที่น่าเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าส5ห้าข้อแล้วสรุปย้ำว่า ไม่มีสมณะพราหมณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางตรัสรู้พระสูตรที่29ปาสาทิกสูตรว่าด้วยพระธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีและที่กล่าวไว้ดีรวมทั้งข้อปฏิบัติของสาวกตรัสแนะให้พระจุนทะ จัดระเบียบพระธรรมวินัยรัสแนะลักษณะสอบสวนพระธรรมวินัยตลอดถึงแนะข้อโต้ตอบกับลัทธิอื่นๆว่าถ้าเขากล่าวหายอย่างนั้นๆจงตอบอย่างนั้นๆเป็นต้นมีข้อความนิยามความหมายของคำว่าตถาคตที่พระองค์ใช้เป็นสรรพนามเรียกพระองค์เองด้วยพระสูตรที่ส0สลัคนะสูตร แสดงถึงมหาปุริสะลักษณะ32ประการซึ่งเป็นผลให้มีคติเป็นสองข้อคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่น่าสังเกตคือลักษณะทางกายภาพทั้ง32ในพระสูตรไม่มีข้อใดที่เกินเลยหรือผิดมนุษย์ดังหนังสือรุ่นหลังแต่งเลย และที่เน้นอย่างหนึ่งก็คือความสมบูรณ์พร้อมแห่งพระลักษณะเหล่านี้เกิดมีได้เพราะพระองค์ทรงสร้างกุศ ล, ลกรรมต่างๆในชาติก่อนพระสูตรที่ส1สิเอสิงคาลกสสูตรพระสูตรนี้แสดงหลักธรรมพื้นฐานสำหรับผู้ครองเรือนจะพึงปฏิบัติเรียกว่าเป็นศีลของผู้ครองเรือนเช่น ให้หลีกเลี่ยงอบายามุกรู้จักมิท้ามิทียมเรื่องทิศหกโปรดดูนวะโกว า, วาดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าของพระราชวรมุนีประกอบราสูที่32อาตานาติยะสูตรว่าด้วยการรักษาอาตานาติยะนครซึ่งเท้าจะตุโลกบาลกราบทูลถวายพระพุทธองค์ พระสูตรที่สาสังคีตสูตรพระสารีบุตรเถระได้ปรารฏเหตุที่พวกนิครนคือพระในศาสนาเชนสาวกของมหาวีระหรือนิครนธนาตบุตรแตกแยกความคิดเห็นกันรุนแรงหลังจากศาสดาของพวกตนล่วงลับไปไม่นานเนื่องจากศาสดาไม่ได้รวบรวมคาสอนเป็นหมวดหมู่ไว้กลัวจะเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นในพระพุทธศาสนา จึงดำริสังคยนาหรือร้อยกรองพระธรรมมวินยัยโดยแสดงสูตรนี้เป็นตัวอย่างมีการประมวลหลักธรรมไว้เป็นหมวดหมู่จากหมวดที่หนึ่งถึงหมวดสิบระสูตรที่ส4ถ้าสุดระรสูตรเป็นเทสนาของพระสารีบุตรเช่นเดียวกันท่านได้ร้อยกรองพระธรรมมวินัยเป็นหมวดหมู่อีกประเภทหนึ่งทานองเดียวกับสังคีติสูตร แต่หัวข้อธรรมะไม่ซ้ำกัน